ใช่ไหมว่าของควรที่ฉันต้องการแค่เพียงเธอได้กอดฉันไว้้วยอ้อมแขนของเธอเช่นนี้รู้ใช่ไหมความรู้สึกในใจที่มีจะกอดเธอ ต้องไปแค่เวลานี้และแค่ทีนี้อยู่กับฉันก่อนได้ไหมอยากหยุดเวลาทุกเสียววินาที่ตลอดไปดันสักเท่า กําลังรู้สึกได้ไหมค่ำคืนนี้จะงดงามมีเศนแค่ไหนทิมมีเพียงสองเราที่อยู่กันตรงนี้ลมเน็บนําพผ่านมา <S <S และไม่มีที่ท้าจะผ่านไปแต่เธอเช่ไหม <S <S ฉันเองกลับรู้สึกว่าก็ดี ก็เธอเอาไว้แบบนี้อบอุ่นใจได้ Because I'm special, I'm ว p e c i a l